ถามว่าพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระมหากรุณาไม่เท่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้ากรุณาก็ไม่เท่าพระสหามมาสด็จพระุทธเจ้านั่นแหละคือผลจากการเดินกรุณาไม่มีความสมดุลกับพระปัญญาฉะนั้นคนที่จะมีพระปัญญาและกรุณาที่มีความสมดุลกันเท่านั้นถึงจะสามารถยึดยองทําให้กระแสะชีวิตของท่านผู้นั้นน่ะหยุดการตัดสู้เพื่อเอาคนอื่นตัดสู้ตามด้วย ฉะนั้นกรุณานั้นต้องฝังไว้ในกรมลลสันดานชัดนะว่าเราตัดสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสรุปอริยสัจสีตามพระองค์เราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยถ้ามองในชั้นคำสอนอย่างนี้จะเห็นว่า ในชั้นของปัญญาที่เราจะศึกษาว่าเออเราจะอธิษฐานอธิษฐานให้ปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของเราได้อย่างไรเพราะการที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นนั้นมันเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสภาพของปัญญาคุณเนี่ยนะมีการแทงตลอดสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นลักษณะ เพราะสภาพของปัญญาเนี่ยมันทำลายความหลงความโง่ใหรือความไม่รู้ตามความเป็นจริงสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่สามารถนำกระแสชีวิตของตอนเองเนี่ยเข้าถึงความจริงได้อย่างแท้จริงนั้นเพราะสัตว์โลกเหล่านั้นขาดอะไรเพราะขาดปัญญาเพราะขาดปัญญาฉะนั้นธรรมชาติของปัญญาเนี่ยท่านถึงบอกว่ารู้แจ้งตรงตาม ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนนักแม่นธนูที่ยิงตรงเป้าใช่ไหมลักษณะของปัญญาจะเป็นไปอย่างนั้นสภาพที่ส่องอารมณ์ให้สว่างเจิดจ้าดุจ ด, ดวงประทีปให้แสงสว่างถามบอกว่าตอนนี้ว่าเราคิดถึงเรื่องต่างๆเช่นคิดอดีตคิดอนาคตคิดปัจจุบันเนี่ยทําไมมันมืดในกระแสความคิดของเราอันนั้นบ่งบอกว่าสภาพของปัญญามันไม่ชัด คนที่มีปัญญาชัดเจนนั้นหรือระดับพระโพธิสัตว์ที่ท่านมีปัญญาชัดเจนนั้นเน่ยสภาพที่ส่องอารมณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยชัดก็คือส่องก็ดุดประทีบในที่แสงสว่างถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นบอกว่าสภาพที่ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อไปแกว่งข้องกับสีก็ไม่หลงในสีนั้นวันนั้ น, น, นเมื่อไปคิดถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงผลิภัณฑ์ถึงธรรมอารมณ์ ไปคิดถึงบุตรถึงภรรยาถึงสามีคิดถึงเพื่อนคิดถึงอดีตอนาคตและคิดปัจจุบันก็ไม่มีสภาพแห่งความรุ่มหลงในอารมณ์นั้นเลยนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ส่องอารมณ์ตามความเป็นจริงประดุจประทีปประดุจประทีก็เหมือนว่าเหมือนประทีปให้แสงสว่างฉะนั้นมันจะสว่างเจิดจ้าแล้วก็เห็นตามความเป็นจริง แต่ไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริงแล้วบาปเกิดตามมานะถ้าปัญญาเกิดเนี่ยไอตัวกิเลสมันดับใช่ไหมล่ะพวกกามวิตกเนี่ยมันก็ดับพยาบาทวิตกเนี่ยมันก็ดับวิหิงสาวิตกเนี่ยมันก็ดับไอคิดในเรื่องกามมันก็ดับคิดในเรื่องการพยาบาทอาฆาตมันก็ดับคิดในเรื่องการเบียดเบียนมันก็ดับเพราะปัญญาคือความสว่างเจิดจ้ามันประชุมในใจพอประชุมในกระแสะใจแล้วเนี่ยความคิดมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้มันจะดับ มองอดีตก็เจิดจ้ามองอนาคตก็เจิดจ้าแม้ปัจจุบันธรรมก็เห็นความสว่างอย่างเจิดจ้านั่นคือสภาพของปัญญาถามบอกว่าบุคคลที่จะฝังอัธยาศัยปัญญาไว้ในกมลสันดานหรือในจิตใจเนี่ยเขาฝังยังไงเบื้องต้นก็ฝังจากการจากการเข้าใกล้สัตว์บุรุษนะจากการเข้าใกล้สัตว์บุรุษจากการฟังก็รำนะจากการมีโยนิโสมนสิการในการฟังนะ ฉะนั้นกรณีแห่งการเข้าใกล้สัตว์รุษการฟังทำการมีโยนิสมรัิการคือการพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญากระตุ้นเตือนตั้งอัธยาศัยว่าวันนี้เราได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือยังและข้อมูลเก่าๆนั้นเราทำให้แจ่มชัดเจนมากขึ้นหรือยังมันไม่ใช่ว่าเป็นคนระดมอ่านมากฟังมากแต่ไม่รู้เรื่อง แต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นลัวปัญญาที่เข้าไปแทงตลอดเพื่อให้เกิดความสว่างเจิดจ้าในใจประดุดประทีบให้แสงสว่างและประดุษประทีบให้แสงสว่างไม่พอนะถ้าดูอย่างอาการที่ปรากฏก็คือไม่หลงต่ออารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่ง <c oughs> ก็คือว่าถ้าผลปรากฏอีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่ามีความปราศจากความลุ่มหลง ซึ่งตรงกับตรงกับโมหะคือความร่วมหลงถาว่าคนเข้าป่าหลงป่าเนี่ยไม่มีคนนําทางไม่มีมกมกุเทศนําทางไม่มีคนผ่านป่านำทางเมื่ก็หลงแต่สภาพปัญญาเมื่อประชมในกระแสชีวิตของใครแล้วเนี่ยสภาพของความหลงตรงนั้นน่ะมันหายไปมันจะเดินเข้าสู่ทางที่ถูกต้องเดินยังไงเวลาให้จเจริญทานกุศล มันก็ชัดในในเหตุและผลให้ทานเนี่ยเป้าหมายของเข้าใจว่าเออนี้วัตถุทานเป็นอย่างนี้อ๋อนีเจตนาทานเป็นอย่างนี้นีอโลภาทานเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าปฏิคาหกผู้รับเป็นอย่างนี้ทายกคือผู้ให้เป็นอย่างนี้พิจารณาเห็นชัดเจนทั้งมุมมองต่างๆเหล่านี้ทีนี้พอตามไประลึก ไม่ใช่ไประลึกติดเพียงแค่ตัววัตถุทานนะแต่กลับไปย้อนระลึกถึงเจตนาคือความชื่นใจก่อนให้ขณะให้หลังให้แล้วกลับไปเห็นตัวศรัทธาที่ตั้งมั่นไปเห็นวิริยะที่มีการประครับประคองใจให้เป็นกัปุ ष ลไปเห็นสภาพของสติที่ระลึกมั่นในทานนานกุศลนั้น เปลนสภาพของสมาธิเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบเหตุแต่ละครั้งและลึกถึงเจตนากรรมที่ตนเองทําไปแล้วมันชื่นใจอันนี้คือสภาพปัญญาที่ว่ามีความไม่ร่วมหลงมีความไม่ร่วมหลงไม่ใช่ไปละลึกถึงฐานก็ไปติดแค่ตัววัตถุไปติดแค่ตัวบุคคลไปติดที่ว่าเราได้ทําเราได้ให้แล้วก็เป็นไปกับมานะเป็นไปกับทิฏฐิ คือความเห็นผิดคือความเยื่อยิงถือตัวแต่มันกลับกลายเป็นการระลึกถึงสภาพสภาวะธรรมแล้วเกิดความเข้าใจชัดขึ้นเด่นขึ้นจิตใจก็ปลอดโปร่งโล่งขึ้นแสงสว่างในใจก็ปรากฏชัดสภาพของปลาโมดปีติก็เกิดมีความเอิบอิ่มความสงบก็เกิดความสุขก็เกิดและจนสามารถเป็นปัจจัยแก่สมาธิที่ตั้งมัน่นพร้อมที่จะเป็นฐานรองรับของปัญญา หรือคุณนะทมเบื้องสูงได้ไม่ยากถ้าอย่างนี้มันชัดว่าสภาพปัญญานั้นทากิจคือความคือปราศจากความรุ่มหลงแล้วอีกอย่างหนึ่งสภาพของปัญญาต้องรู้แจ้งสภาวะรำตามความเป็นจริงก็คือว่ารู้สภาวะลักษณะคำว่ารู้สภาวะลักษณะก็คือรู้จักตัววัตถุทานดีถ้าให้ทานก็รู้จักตัววัตถุทานดีนะ ไอตัววัตถุทานเนี่ยจะแยกเป็นสี่ก็ได้เป็นสิบก็ได้เป็นหก็ได้อันนี้รู้ลักษณะของทานเช่นแยกเป็นสี่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นยาเป็นอาหารถามบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยคนบางคนเนี่ยไม่สามารถจะมีเงินสร้างที่อยู่ได้ใช่ไหมเอ้เราจะทํำยังไงเราจะถวายวิหารทานเนี่ยบางคนเขาฉลาดคิดเออกฎอันนึงก็เป็นวิหารทานได้แล้วนี่คือความเข้าใจล้วนเลยนะโ อ, โอ้นี่ไง มเมต t e n s ก็ดีปรดก็ดีก็กลายเป็นวิหารได้เป็นเสนาสนะได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คือความเข้าใจเอ้ทานกุศลถ้าลองสังเกต ด, ดูว่าปัญญาทั้งหลายถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าวิจัยตามหลักของพระเจ้ามหาสุทัศนะเห็นชัดพระเจ้ามหาสุทัศนเนี่ยสร้างศาลาให้กับภิกษุเดินจงกรมรูปเดียวอะเป็นศาลาไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะ สร้างศาลาแล้วก็จากการสร้างเสนาสนะทานนั่นแหละแล้วตนเองก็บํารุงดูแลจนว่าภิกษุรูปนั้นนะท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปฏินิพพานไปตามการทั้งหแต่ว่าท่านท่านดูแลประจํำไหมดูแลประจําไม่ใช่แค่วิหารลทานไม่ใช่แค่วัดเล็กๆไม่ไม่ใช่แค่ศาลาเล็กๆที่พาอยู่ในป่ารูปเดียวเท่านั้นแต่อะไรรู้ไหม เจตนาทานศรัทธาทานที่ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสั ก, กจทานที่มีการนอบน้อมอย่างต่อเนื่องการลทานที่ทําถูกกาลและเวลาที่ระดมตามมาอนุขิตาทานก็คือการสลัขาดไม่ยึดโยงไม่อะไรตัณหาคือความตณีมันถูกตัดรอนอย่างขาดแล้วก็อนุปหจาทานก็คือการไม่กระทบตนและบุคคลอืนล่นเลย ให้เนืองนิดขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ชื่นใจถามว่าระดมนามธรรมเหล่านี้ปูเพื่งในจิตใจอย่างต่อเนื่องแปลว่าอะไรตัววัตถุทานหนึ่งชิ้นแต่ละดมเจตนาทานนี่ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านกดๆขนาดนามธรรมไหลในกระแสใจอย่างต่อเนื่องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้กระตุ้นเตือนนามธรรมขนาดนั้นเจตนาไง เจตนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาใช่ไหมเพราะเจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนศรัทธาให้ทําหน้าที่เพราะเจตนาเหมือนสิทธเหมือนหัวหน้าสิทธ์เจตนาเหมือนเมทัพเจตนาเหมือนกับหัวหน้าคนงานเจตนาก็เหมือนกับเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยเจตนาก็เหมือนกับไปหัวใครที่เป็นหัวหน้านักเรียนเนี่ยก็บอกเอา้าคุณทําหน้าที่นั้นคุณทําหน้าที่นี้แต่ท่านผู้นั้นใช้เจตนาถูก ก็บอกอาสาทธาทำหน้าที่ให้ตั้งมั่นให้เต็มที่ถ้าไม่ตั้งมั่นก็คอยกระตุ้นให้ทำวิริยะไม่ยอมทําก็กระตุ้นให้ทำว่าต้องมีความเพียรพยายามประคองกุศลไว้อย่าปล่อยกุศลเน็ดขาดนะสะติก็จงระลึกมั่นในเจตนาทา น, นในตัววัตถุทานใ น, ใ น, ใ, นในปฏิคาหกเป็นต้นเหล่านี้นะระลึกสมาธิก็มีความตั้งมั่นปัญญาก็จงรอบรู้นะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันให้ชัด ทางวจเจตนาที่ระดมกลุ่มกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างนี้แล้วดูศาลาพักเดินจงกรมที่เป็นที่อยู่ของภิกษุได้ฉันอาหารบ้างได้เดินบ้างได้เปลี่ยนียาบทบ้างจากการสร้างศาลาเล็กๆนี้พอท่านมาเกิดเป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นดินเป็นพระเจ้ามาสุดท้ายตอนั้นพอเป็นพระเจ้าเป็นดินนะท่านได้ได้เมืองขึ้น จากผลสลารหนึ่งหลังแปดหมื่นสี่พันมืนมาได้ยังไงมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ความเข้าใจล้วนๆเนี่ยเห็นไหมมันมันเรื่องความเข้าใจนะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเรื่องปัญญาเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาจะผลิเตเหตุกับผลมากมายขนาดนั้นยนได้ยังไงบางคนว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงถามบอกว่าเราดูธรรมชาติสิ มะม่วงหนึ่งเม็ดทำไมให้ผลเป็นหมื่นผลนะใช่ไหมล่ะฉะนั้นแม้ธรรมชาติก็ยังชี้เราเห็นแล้วมันเป็นไปได้ในชั้นของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันแล้วแต่ว่าใครทำเวลาปลูกทานากุศลสิ่งกุศลลงในกระแสะชีวิตเนี่ยใครเป็นคนปลูกใครเป็นคนกระทาถามว่าผู้ทานั้นมีความรู้มีความเข้าใจแล้วไม่ใช่เป็นการทำครั้งเดียว และก็ไม่ใช่เป็นการทำขณะจิตเดียวแต่เป็นการทำโดยการขณะจิตที่ติดต่อแล้วก็ประชุมในกระแสชีวิตแล้วก็มีความตั้งมั่นอย่างรุนแรงใช่ไหมลูกฉะนั้นความเข้าใจตรงนี้จึงเป็นปัจจัยแก่นี่เขาเรียกปัญญาที่เข้าไปรู้ลักษณะสามารถที่จะแยกแยะส่วนย่อยของตัวทานได้นั้นในด้านของในด้านของตัวตัวสมมุติ แม้จะแยกในฐานะเป็นอันนางปานางังคระรงวัดถังเป็นต้ น, นเนี่ยนะให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นไล่ไปตามลำดับจนถึงให้ประทีตแสงสว่างสิบยางหรือจะให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสให้ผลิตภัณฑ์ให้ทำมารวมเป็นทานนั้นแยกไปตามอภิธรรมปิดกเนี่ยถามว่านี่คือความเข้าใจลักษณะที่แยกบัญญัติแม้ที่สุดจริงๆสามารถที่จะไปแยกกลุ่มนามมาทำได้ด้วยว่านี้คือลักษณะของ ปัญญานี้คือลักษณะของศรัทธานี้ลักษณะของวิริยะนี้คือลักษณะของสตินี้คือลักษณะของสมาธินี้คือลักษณะของความโลภนี้คือลักษณะของความโกรธนี้ลักษณะของความหลงนี้คือลักษณะของมิจฉาทิฐินี้ลักษณะของมานะเป็นต้นถามว่าถ้าไม่มีปัญญาไปเข้าใจเหล่านี้ว่าสภาวธรรมเหล่านี้เป็นบาปสภาวธรรมเหล่านี้เป็นบุญ สภาวะธรรมเหล่านี้มีประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นธรรมดำอันนี้เป็นธรรมขาวอันนี้เป็นธรรมที่ทำไปแล้วจะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลถ้าไม่มีปัญญาไปแยกแยะอย่างนี้หยิบของให้ก็ไม่รู้ว่าเจตนาที่ให้นีมันเป็นไปกับบุญหรือบาปถ้าอย่างนี้บ่งบอกว่าตัวสภาพของปัญญาไม่รู้สภาวะลักษณะไม่รู้ รู้อยู่อย่างเดียวเราได้หยิบของให้เขาอะรู้อย่างเดียวว่าเราได้ไปสมาทานศีลรู้อย่างเดียวว่าเราได้ออกบวชรู้อย่างเดียวว่าเราไปนั่งเรียนเพื่อจะเพิ่มปัญญารู้อย่างเดียวว่าเราทำความเพียรในการเรียนหนังสือในการให้ทานเป็นต้นแต่มันไม่รู้ไงว่าไอ้กรณีการให้ทานนั่นน่ะจิตที่คิดจะให้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปรักษาศีลจิตที่คิดจะรักษามันเป็นบุญหรือเป็นบาป หรือบําเพ็ญเนกบมาออกบวชเนี่ยในกระแสชีวิตจริงแล้วบุญหรือบาปมันเกิดจริงๆเ่ยเคยสังเกตไหมหรือในขณะที่จะไปเจริญปัญญาทั้งหลายเหล่าเนี้ไปทั้งสุดตะเอยทั้งการฟังเอยเนี่ยเอามานั่งฟังด้วยกันหมดนี่นั่งๆอยู่เนี่ยถ้าเรานั่งหลับก็ได้อะใช่ไหมเล่าแล้ว ร, รู้เด้เรารู้ไหมว่าการหลับมันเป็นบาปอ่ะแต่ทําไมรู้ว่าเป็นบาปแล้วทําไมทําให้เกิดในกระแสชีวิตเราได้จริงๆเนี่ยเพราะอะไร ก็เพราะความบอดความมืดบอดถึงไม่รู้ว่าตอนนี้กัท่านกาลังบัตุสลายตัวเองด้วยการให้โมหะให้ให้ถีนมิทาบัตถุสลายใจฉะนั้นท่านในกรณีอย่างนี้ต่อให้นั่งฟังทั้งวันก็ไม่เรียกว่าเป็นการเพิ่มปัญญาบา ร, รมีหรอกจะไปเพิ่มได้ยังไงนี่คือความไม่เข้าใจเขาเรียกว่าปัญญาที่รู้สภาพความจริงมันไม่เกิดคือสภาวลักษณะเราต้องการจะเจริญปัญญาใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าจะเจริญปัญญาสภาพของปัญญามันเป็นไปกระสมะนัดเนะียสภาพกับปัญญาที่เป็นไปกระเบกขานะีที่มีความผ่องใสเนะีสภาพปัญญานะั้นมีความสะอาดกายเนะียสะอาดวาจาเนะีใจก็สะอาดนะแล้วมันมีเป็นสภาพที่ว่าส่องแสงสว่างเจิดจ้าในใจนะแต่ถ้ามันนั่งมืดมนอนทการเนะี่ยสลึมสลือหงอยเหงาเศร้าซ้อยเ ง, ยยงี้ยถ้าในกรณีอย่างนี้จะเป็นปัญญาได้อย่างไรถามว่า ถ้าไม่ใช่ปัญญาต่อให้ไปฟังต่อหน้าพระบรมศา ส, สดาซึ่งทรงแสดงเองเลยนะก็ไม่บรรลุแล้วอัธยาสัยที่เราทำแบบนี้ถามบอกว่าถ้าท่านผู้ใดกำลังกล่าวพระธรรมที่ถูกต้องถามว่าในกระแสความคิดของท่านผู้นั้นมีพระธรรมของพระพุทธเจ้ากำลังไหลอยู่ใช่ไหมกาลังไหลอยู่ในกระแสใจของท่านอยู่ใช่ไหมและจิตตชฉลุกของท่านก็เป็นกุศลจิตตชฉล แล้วกุศลจิตของท่านที่ปลารบถ้าเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลอาสังขารีกเป็นญาณสัมยุญด้วยและกําลังปารบพระธรรมถามว่าภารตะนาไตรกําลังไหลในกระแสใจของท่าน่แล้วจะว่ายัางไงแล้วเราก็นั่งฟังที่ท่านกําลังกลาวว่าวพระธรรมแต่ใจของเราไม่เป็นบุญทีนี้ใจไม่เป็นบุญไปกระทบกับอะไรทีนี้กระทบกับพารตะนาไตรก็ดีทีนแล้วอะไรเกิดขึ้นเลยทีนี้ใช่ไหมมันก็เลยว่าเราก็ได้มิจฉาปฏิปทาไป แต่คนที่ตั้งใจถูกก็ได้สัมมาปฏิปทาใช่ไหมหรือหรือหรือเดินทางที่ถูกเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจึงเป็นเรื่องของความเข้าใจว่าในขณะที่เราเดินความคิดเราท่านทั้งหลายที่มากันหน้าที่นี้เนี่ยวันนี้เรามาฟังในเรื่องของปัญญาของพระพุทธเจ้าและปัญญาที่เราควรจะทําให้เกิดขึ้นเพื่อจะเดินตามรอยบาทของพระศาสดา แล้วการตั้งอธิฐานน่ามคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจว่าเราจะทำให้ปัญญาประชมได้จริงในชีวิตยังไงใช่ไหมลกูกเอจะทำยังไงให้สังเกตดูนะเวลาตั้งท่านตั้งจิตอธิษฐานเนะี่ยบอกว่ า, วาด้วยบุญทั้งหลายด้วยการบูชาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในอัตภาพนี้และในอัตภาพก่อนขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆุกภพเห็นมอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยการตั้งอธิษฐาน ร, รมว่าขอให้ข้าพระเจ้าจางเป็นผู้น่ารักในทุกๆภพอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการตั้งอัธยาศัยที่จะฝังแน่นว่าต่อไปเราจะเป็นผู้มีกายสุจริตวาจาสุจริตและมีใจสุจริตเพราะคนที่ประกอบด้วยสุจริตสามตัวนั้นถึงจะเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆภพ แต่ไม่ใช่เป็นการร้องขอแล้วไม่ยอมทำอะไรนะอธิษฐานธรรมในาศาสนาของพัชินเจ้าเนี่ยศรัทธาเห็นศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหิลีกความละอายต่อบาปโอตปาความเกรงกลัวกลัวต่อบาปพหุสตตะพาหุสจักการเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วความบากบัน สติสมาธิและปัญญาจงประชุมในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าจนกว่าจะตัดสุ้ถามบอกว่าเราอ้าปากขออ้าปากขอในนั้นมีคำว่าปัญญาอยู่ด้วยนะถามบอกว่าอ้าปากแล้วก็ร้องขออ้าปากแล้วก็ร้องขออันนี้ใช่อธิษฐานหรือไม่ถ้าอธิษฐานจริงๆแปลว่าเราจาก ถ้าจะเจริญปัญญาบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลของปัญญาทุกวันและในทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าวันละครั้งทุกความคิดที่เกิดขึ้นมาเราจะไขวยคว้ า, าแล้วก็แสวงหาปัญญาประชุมไว้ในกระแสชีวิตเพราะปัญญาเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่ประเสรศิฐ ฉะนั้นจะต้องทำปัญญานั้นให้ประชมในกระแสชีวิตปัญญาเป็นทั้งหมดของชีวิตเพราะเป็นปัญญาเป็นกัลยาณมิตรนี่เป็นยอดกัลยาณมิตรนี่ใช่ไหมลูกพระพุทธเจ้าเป็นยอดกัลยาณมิตรไหมพระธรรก็ต้องเป็นยอดกัลยาณมิตรฉะนั้นปัญญาในส่วนของโลกีญาปัญญาสรุปก็คือเราวันถ้าตราบใดเราไม่ได้โลกุตรปัญญาเราไม่หยุดเราไม่หยุด เรกุตรปัญญาที่ในอารัฐธรรมะอารัตผลได้เมื่อไหร่ล้วที่จ ะ, จ ะ, จะหยุดสแสวงหาปัญญาใช่ไหมลูกตราบใดเราคว้าอนุปาทาปริิญพานได้เมื่อไหร่การสแสวงหาการหยุดอยู่ซึ่งการไคว้คว้าหาปัญญาเราจะหยุดวันนั้นนแต่วันนี้มันยังไม่ได้ฉะนั้นการที่อธิษฐานอย่างนี้ปนแปลว่าเขาสแสวงหาเบสเสร็จปุ๊บท่านทั้งอุปมาบอกว่าประดุดดังพระถึงการบินทบาทเป็นหัด คนบวชพระนี่จะรู้ตื่นขึ้นมาในหิวต้องหิวทรมานไม่ได้กินเนี่ยทรมานต้องถือบาตรต้องประครับประคองในการที่จะต้องเดินไปหาอาหารใช่ไหมโลกถามบอกว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเมื่อชวนะเกิดขึ้นมาเนี่ยหิวปัญญาไหมโลกระหายปัญญาไหม มีความไข่มีความรักปรารถนาต้องเพิ่มปัญญาเพราะความไม่มีปัญญานี่แหละเราจึงหลงทิศหลงทางคิดแบบนี้ไหมทําไมในสังสารวัตรเขาพ้นทุกกันหมดใช่ไหมล่ะเอาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยภาษาลิบุตรบรรลุพ้นทุกไปแล้วพระโมคคัลลานะก็บรรลุไปแล้วพระโกลทัญญาวะป่าพัธิยะมหานามาสชีพใช่ไหมล่ะยะสากุลบุตรก็บรรลุไปแล้ว สุภาโหปุณณชีกขาบำปติเขาบรรลุหมดเลยนะเนี่ยบุคคลเหล่านี้ยไล่ไปเยอะชดินสามพี่น้องพร้อมในบริวารก็บรรลุพายะทารุจริยะก็บรรลุแม้คนสุดท้ายสุพุสุภธาบ ร, ริบาชจบก็บรรลุทำไมไมมีเราขาดปัญญาไงคนมีปัญญาเขาบรรลุเพราะเราหลงทางเราจึงไม่บรรลุนั้นถ้าขืนเรามามัวโอเอแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะประชุม อริยมรรคลงในกระแสชีวิตเราได้จริงถ้าเราคิดแบบนี้มีความเพียรแค่นี้เนี่ยมีศรัทธาแค่นี้มีความเพียรแค่นี้มีสติแค่นี้มีสมาธิแค่นี้และมีปัญญาแค่เนี้ยเราก็อยู่ได้เพียงแค่เนี้ยฉะนั้นไม่เพิ่มไม่ได้ทำไมเราต้องแสวงหาเพิ่มทรัพย์ภายนอกทุกวันล่ะแต่ทาไมพอพูดถึงทรัพย์ภายในดูเราไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่เอาจิงเอาจังเลย แต่ทัพภายนอกเนี่ยเราโหายหาสแสวงหาทุกวันทําไมเราไปเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระเอ้าใช่ไหมเราทรัพภายนอกไม่ได้มีสาระของความงามที่แท้จริงเลยนะ่ไม่ได้เที่ยงด้วยไม่ได้เที่ยงด้วยไม่ได้ไม่ได้มีให้ความสุขอย่างแท้จริงด้วยที่ส่วนจริงก็จากสบั้นหันแหลกกันหมดเนี่ยตกนรกพวกมันก็เยอะทําให้เราวิบัติเสียหายมาก็มากทาให้กลายเป็นเปรตก็มีเป็นสัตว์นรกก็มีนะถามบอกว่าพระเทวทัศ์ให้ทรัพย์ไหมแล้วทําให้ท่านเป็นสัตว์นรกเนี่ย พระเจ้าชาติตัวใช้ซับไหมทําให้ท่านต้องตกนรกแล้วก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะได้อีกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพอรับภายนอกใช่ไหมทํำให้สัตว์ต้องตกนรกเนี่ยเห็นไหมถ้าคนขาดปัญญาไปเกี่ยวข้องกับซัพย์ก็ทํำรัพย์ให้ตนเองเสียหายทําให้วิบัติฉะนั้นทรัพย์ภายนอกจึงไม่ได้เบสรดอะไรเลยแต่ปัญญาต่างหากที่เป็นทรัพย์ภายในซึ่งเป็นอริยรัพย์เนี่ยเมื่อมีปัญญามีอริยทรัพย์ภายในล้จัดแจงทรัพย์ภายนอกได้ใช่ไหมเล่า ถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญญามันประเสริฐปัญญาเป็นสิ่งที่เลิศเพราะเราจักบรรลุธรรมได้นั้นบุคคลที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาซึ่งถึงพระรัตนตรายอย่างมั่นคงแล้วสามารถประหารกิเลสได้เนี่ยบุคคลเหล่านั้นล้วนมาจากปัญญาเนะล้วนมาจากปัญญาที่มีการสั่งสมมาดีแล้วอบรมมาดีแล้วเท่านั้น ฉะนั้นการแสวงหาปัญญานั้นจึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรหยุดนิ่งควรจะทำให้ต่อเนื่องควรจะพอกพูนทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าเพียงพอแล้วเราอยู่ได้แค่นี้นะและอยู่ได้แค่นี้ถามบอกว่าถ้าปัญญาเราคมกล้าแก่กล้าหรือชัดเจนจริงๆ เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างทําไมไม่ตัดรอนบาปได้ทุกขณะในชีวิตแล้วแสดงให้เห็นชัดได้ไหมว่ากระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสีเสียงจิตรสสัมผัสและธรรมาลมเนี่ยบาปทําไมเกิดมากบุญทําไมเกิดน้อยท่านดองโดยสามัญสํำนึกก็คือการเดินเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเดินที่เราเดินมันสว่างแล้วเนี่ยทำไมเราเดินเหยียบหนามอยู่เรื่อยเดินเดินเหยียบตออยู่เรื่อย ใช่ไหมลราถ้าปัญญามันแก่กล้าแล้วมันสว่างเจิดจ้าในกระแสะชีวิตจริงราคะมันเกิดได้ยังไงความกำหนัดความดีดีความเพื่อเพิ่โทษะความกโกรธเกิดได้ยังไงโมหะความมัวเมาลุ่มหลงเกิดยังไงทีนะความงอยเหงาเศร้า ซ, าซึมทั้งหลายถดถอยในหะ้เกิดได้ยังไงทีน่มิท่านี่อุทธาจาริพุ่งสร้างเกิดได้ยังไงวิจิกิจาลังเลสงสัยเกิดได้ยังไงอันนี้บ่งบอกว่าความสว่างจ้าในใจมันไม่เกิดก็คือปัญญาไม่เกิด น, นั่นเอง อะไรเราเป็นปัจจัยทำให้ปัญญาไม่เกิดเพราะเพราะข้อมูลเราไม่ชัดและอะไรทำให้ข้อมูลเราไม่ชัดเพราะเราขาดการฟังด้วยดีทำไมเราจึงไม่ฟังได้ดีละ่ะการตั้งใจเราไม่เกิดอะไรคือความตั้งใจคือเจตนาไงไอ้เจตนาคือความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในการที่เราจะต้องเก็บข้อมูลความรู้เราจะต้องจัดแจงความคิดที่ไม่ถูกให้ได้อะไรล่ะจะจัดแจงความคิดที่ไม่ถูกได้ก็คือสภาพปัญญาใช่ ที่รู้ลักษณะการแยกแยะดีชั่วด้แยกแยะบุญบาปได้ถ้าปัญญาระดับแยกแยะบุญบาปไม่ได้เนี้ยแค่เบื้องต้นไม่ได้นี่ยุ่งแล้วเราจะไปทำงานใหญ่ได้ยังไงงานใหญ่คืองานพ้นทุกนะถ้าแยกแยะจิตที่เป็นบุญขณะนี้จิตที่เป็นบาปไม่ได้ไม่ใช่ว่าบุญบาปเกิดตั้งนานแล้วก็มารู้ทีหลังทุกทีใช่มถ้าถ้ารู้ทีหลังเนี่ยมันจะต้องรีบจัดแจงใหม่นะ จัแจงใหม่แล้วก็ต้องปิดกัน้นจะแจงใหม่ก็ปิดกันดก้นเรื่อยปิดกั้นเรื่อยเพราะเรารู้นี่บาปมาแล้วมันไม่ใช่มาเฉยเฉยมันมาแล้วมันเกิดร่วมกับเจตนาเมื่อเจตนามันฝังมเมล็ดลงแล้วมันเป็นตัวกรรมเมื่อเป็นตัวกรรมเบ็ดเสร็จมันจะให้ผลในการต่อไปแล้วคนที่เจ็บปวดก็คือกระแสชีวิตนี้ใช่ไหมเราเข้าใจอย่างนี้นี่พอเข้าใจอย่างนี้เมื่อเกิดเบ็ดเสร็จมาที่หลังก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นอะไรคือตัวระมัดระวังตัวเจตนาที่เป็นกุศล ก็ต้องตั้งใจมากขึ้นว่านับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้กระแสะชีวิตที่เป็นบาปมันมาเกิดใหม่แล้ว